เธอจำเอาไว้ไอ้นี่ก็เพลย์วิดจอยากจะบอกฉันไม่เคยหอกแต่ฉันอยากให้รู้ให้เรามันตางกันคงจะไปกันไม่ได้คิดถึทุกวันทำยังไงไดีก่อนที่มันจะสายไม่อยากจะทำให้เธอเจ็บพอกันที่คนดีถ้าไม่ฟังยอมแพ้เป็น looking <'re> for you now อธิบายให้เธอได้ฟังเธอก็คงไม่เข้าใจความรักที่ได้มาให้เธอนั้นเอาไปมอบให้ใครเมื่อถึงวันนี้จะทำว่าเราสองหน่งเลิกทำไมทำไมไม่นึกย้อนสามตัวเองหลักว่าทำไมวันเวลาที่มีให้กันเธอนั้นเอาไปทำอะไรทำไมเวลาที่ผ่านมาตัวเธอไม่สนใจพราเราจะจากกันเธอชอบทาเหมือนเธอมีเยื่อะใหญ่ปกลางปากของฉันดีๆนั้นหะลับไป จะจำเอาไว้ให้นี่มาเล่นวิญญาอยากจะบอกฉันไม่เคยหอกแต่ฉันอยากให้รู้ให้เรามันตางกันคงจะไปกันไม่ได้คิดถึทุกวันทำยังไงดีก่อนที่มันจะสายไม่อยากจะทำให้เธอเจ็บพอกันที่คนดีท่าไม่สบายอยู่แพนด์เป็น looking for the วันนี้เราจากกันในใจของเธอก็คงจะดีใจที่ไม่มีฉันคอยเกะกะเพื่อที่จะรักกับเขาได้ไง่ายมันก็คงจะดีนักเมื่อสองรักไปกันไม่ได้เรื่องที่เราก็จะรลา ก, กันทุกวันวันนี้จะลืมมัน ลืมไปจนในความฝันที่เคยมีสองเราเดินเคียงข้างกันและกันจะลืมลึงลาของตัวเธอให้หมดจะไม่จำเลยว่าเคยมีเราสองคนบอกว่า I'm okay I'm feeling good เธอจะไปที่ไหนกับใครไอ้โดนแค่เราหมอนเธอจำอาไว้ให้ในบัพเลฟวิทจิวอยากจะบอกฉันไม่เคยหลอกแต่ฉันอยากให้รู้ เรามันตามกันคงจะไปกันไม่ได้คิดอยูทุกวันทำยังไงดีก่อนที่ o ันจ e สายไม่อยากจะทงให้เธอเจ็บพอกันที่คนดีท่ า, ามิสฟ้าอยู่แพร่นิ่ง looking for the w a y